ก็ความในมหานิเทศนะอัถกะวักรประมัฏปรมักะสุตตนิเทศที่ห้าของย้อนไน้นะสู่ที่หนึ่งกามสู่ที่สองกายสู่ที่สามทิฐิสู่ที่ 3, สี่บริสุทธิ์เนี่ยน ะ, นะ<ว> <ales> พอสู่ที่ห้าประมัฏประมัฏตัวนี้เนี่ยหมายถึงประมัถะการยึดถือนะไม่ใช่แปลว่ายัางลูก ชันตุชนนั้นกล่าวสิ่งทั้งทั้งปวงอื่นจากสิ่งนั้นว่าเลวเพราะฉะนั้ น, นชันตุชนนั้นย่อมเป็นผู้ไม่ล่วงเลยวิวาททั้งหลายนะคือถ้าตัวเองยึดถือว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมที่สุดใช่ไหมสิ่งอื่นนอกจากสิ่งนี้เราจะถือว่าไงก็เลวอะ่ะทีนี้เมื่อถือเขาที่สุดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดนะ คนอื่นมันเลวหมดนะ่ะที่เหลือก็ทะเลาะ ก, กันแล้วค น, น, นะนการวิวาทก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นใจความโดยสรุปซึ่งภาษาริบุตรนิเทศว่า <c oughs> ยึดถืออยู่ในทิฏฐิทั้งหลายว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมมีความว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกเป็นเจ้าทิฏฐิสมณพราหมณ์เหล่านั้นรับรับเอาถือเอายึดมั่นในทิฏฐิหกสิบสองอย่างใดอย่างหนึ่งว่า สิ่งนี้ยอดเยี่ยมเลิศประเสริฐวิเศษเป็นใหญ่สูงสุดบวรย่อมอยู่อยู่ร่วมอยู่อาศัยอยู่รอบด้วยทิฐิของตนนี่นะเรียกว่าโอ้โหปกปักรักษาห่อหุ้มดูแลทิฐิตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายอยู่ในเรือนนะอยู่ในทิ่ิเหมือนคนอยู่ในเรือนเหมือนพวกบรรปชิตผู้มีอาบัติอยู่ในกองอาบัตินะเรียกว่าจมอยู่กับอาบัติ หรือพวกมีกิเลสอยู่ในกองกิเลสฉะนั้นเพราะฉะนั้นยึดถืออยู่ในทิฏฐิทั้งหลายว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมนะนะยึดห่วงแหนยึดถือทิฏฐิแต่ก็เป็นจริงๆนะใครไปปฏิเสธต่ษษษตางกว่านั้นเขาโกรธเลยนะพวกพวกคนที่ถือทิฏฐิอย่างไรอย่างหนึ่งไหมถ้าใครไปพูดต่างต่างจากที่เขาถือนะว้าขึ้นมาเลยอ่ะห่วงมากตโนธนอมเหมือนอะไรเหมือนงูเนี่ยหวงไข่อะนะลักษณะนั้นะ ชันตุชนย่อมทําสิ่งใดให้ยิ่งในโลกความว่าคําว่าใดเนี่ยนะคือทําให้ยิ่งว่าชันตุชนย่อมทําสิ่งใดให้ยิ่งให้เลิศประเสริฐวิเศษเป็นใหญ่สูงสุดบวรคือย่อมให้บังเกิดบังเกิดเฉพาะว่ า, าศาสดานี้เป็นสัพพันยูเขาเชื่อเจ้าหลักทิกทรัตทิหลักการอันนี้มากอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยในยุคนี้เนี่ยเจ้าของค่ายไหนมัง่งไม่เป็นพราริยะหายาก เจ้าของสุขค่ายเนี่ยนะค่ายลทัทธิทั้งหลายเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะโอ้โหแต่ละค่ายเนี่ยอริยะของเขาในในใ น, ในหัวหน้าค่ายของเขานี่เป็นอริยะของเขาเลยแหละเพื่อนเขาถือว่าเนี่ยคืออริยะเถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเขบอกนี่สัพพันยูเพราะนับถือาศาสดาใดาอะ่ะเขาก็ว่ า, าศาสดานั้นอ่ะสูงสุดเป็นสัพพันยูธรรมนี้อันาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์นี้คณะสงฆ์นี้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐินี้เจริญปฏิปทานี้ อันพระศาสดาบัญญัติดีแล้วมรคนี้ให้พ้นทุกได้โอ้โหเชื่อมากเลยนะคําว่าชันตุชนก็คือสัตว์นรชนเป็นต้นคําว่าในโลกก็คืออบายาโลกเป็นต้นนั่นเองคําว่าชันตุชนนั้นน่ะกล่าวสิ่งทั้งปวงอื่นจากสิ่งนั้นว่าเลวนะต่างจากสิ่งที่ตัวเองยึดถือต่างจากลัทธิของตัวเองเนี่ยนะเพราะลัทธิของคนอื่นเนี่ยเลวหมดอะ บอกว่าชันตุชนย่อมคัดค้านโต้แย้งปฏิเสธซึ่งลัทธิอื่นทั้งปวงว่าเวนศาสดาธรรมะที่ศาสดาบอกคณะสงฆ์ทิ่ถิปฏิปทามมรคของตนกล่าวคือบอกพูดแสดงแถลงอย่างนี้ว่าศาสดานั้นไม่ใช่สัพพันธ์อยู่ปฏิเสธนะเจ้าลัทธินั้นไม่ใช่หรอกธรรมะนั้นไม่ใช่ธรรมะอันศาสดากล่าวดีแล้วมูคณะไม่เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฐิไม่เป็นทิถิอันเจริญ ปฏิปทาไม่เป็นปฏิปทาอันศาสดาบัญญัติดีแล้วมักไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกได้นะเข้าแบบปฏิเสธสายอื่นนะนะความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษหรือความพ้นรอบมิได้มีในรัฐที่นั้นนะปฏิเสธสายอื่นหมดเหนนะปฏิเสธรัฐที่อื่นหมดเอาแต่ของตัวเหมืนะั้น พวกลทัทธินั้นย่อมไม่หมดจดไม่หมดจดวิเศษไม่หมดจดรอบไม่พ้นไม่พ้นวิเศษไม่พ้นรอบในลทัทธินั้นพวกถือลทัทธินั้นย่อมเป็นผู้เลวเลวทามต่ำช้าสกปรกลามกต่ำต้อยอะนะดูหมิ่นคนอื่นมากะนะเพราะมันไม่เหมือนชั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าชั้นดีแกก็เลว อ, อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชั้นตุชนนั้นย่อมเป็นผู้ไม่ล่วงเลยวิวาส นะกระวอเพราะการณะนั้นเหตุนั้นปัจจัยนั้นนิทานนั้นอ่ะชันตุชนนั้นย่อมเป็นผู้ไม่ล่วงเลยไม่ก้าวล่วงไม่ล่วงพ้น น, นะน่ะไม่ก้าวล่วงพร้อมซึ่งความทะเลาะเพราะทิฏฐิบาดหมางแก่งแย่งวิวาทมุ่งร้ายกันเพราะทิฏฐินะนะสงครามอะไรรู้ไหม สงครามน้ําลายก็เกิดขึ้นนะทะเลาะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นลนะัดเทอน่ะก็เรียกว่าคมเฉือนคมคําเฉือนคำอ่ะนะซัดกันแลกกันนะนะก็เนะรียกว่าคือพยายามที่จะบอกว่าอา่าพยายามที่จะบอกว่าของชั้นดีที่สุดของแกเลวที่สุดอันนัไอ้ฝ่าโน้นก็บอกของชั้นดีที่สุดของแกเลวที่สุดเนี่ยนะก็ เ, เหมือนอย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นชันตุชนเหล่านั้นก็ย่อมไม่ล่วงเลยวิวาทกันทั้งหลายนะว่าโดยสรุปก็คือพวกเจ้าลทัทธินะชันตุชนยึดถืออยู่ในทิฏฐิทั้งหลายว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมย่อมทําสิ่งใดให้ยิ่งคือให้ยอดเยี่ยมในโลกชันตุชนย่อมกล่าวสิ่งทั้งปวงอื่นจากนั้นว่าเลวไอต่างจากเรามันเลวทั้งนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นชันตุชนนั้นย่อมเป็นผู้ไม่ล่วงเลยวิวาทอันนี้สงก็คือการทะเลาะการแก่งแย่งชิงดีกันอ่ะนะ วิวาดกันสงครามน้าลายก็ระบาดกันขึ้นนราชนเห็นอันนี้สงใดในทิฏฐิของตนก็ดีในอารมณ์ที่เห็นก็ดีในอารมณ์ที่ได้ยินก็ดีในศีลและวัดก็ดีในอารมณ์ที่ทราบก็ดีนราชนนั้นถือมั่นซึ่งทิฏฐินั้นนั่นแหละในลัทธิของตนนั้นย่อมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลวพระนายึดถือว่าทางนี้ดีทางอื่นจะต้องเลวทั้งหมดอธิบายว่า นรชนเห็นอา น, นิสงส์ใดในทิฏฐิของตนในอารมณ์ที่ตนเห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินในศีลและวัดในอารมณ์ที่ทราบ อ, อันที่เรียกว่าตนเนี่ยนะเรียกว่าทิฏฐิเรียกว่าตนนรชนย่อมเห็นอา น, นิสงส์สองประการในทิฏฐิของตนคือเห็นว่าทิฏฐิของตัวเองเนี่ยมีอานิสงส์สองอย่างคืออา น, นิสงส์ชาตินี้กับอา น, นิสงส์ชาติหน้าอันะอานินนนนสงส์ชาตินี้ของเจ้าลทัทธิทั้งหลายคืออะไร อันนี้สงมีในชาตินี้ก็คือศาสดาผู้มีทิฐิอย่างใดพวกสาวกก็เป็นผู้มีทิฐิอย่างนั้น พ, พวกสาวกก็ศัการะเคารพนับถือบูชายำเกรงซึ่งศาสดาผู้มีทิฐิอย่างนั้นและก็ศาสดาก็ย่อมได้จีวรบินทบาทและขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารที่มีศัการะเป็นต้นนั้นนะ่ะเป็นเหตุนะ คือตัวเองเป็นเจ้าลัทธิใช่ไหมเมื่อเป็นเจ้าลัทธิก็สั่งสอนเข้าไปเมื่อสอนเข้าไปเขาก็เห็นด้วยเออดีดี ด, ดีเขาก็นับถือนะมีอาหารก็เอามาให้มีเสื้อผ้าก็เอามาให้มีที่อยู่อาศัยก็โยกให้อ่ะโยกให้หมดเคารพนับถือบูชาเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นเจ้าลัทธิทั้งหลายนี่จะร่ารวยมั่งมีเนี่ยนะเพราะว่าเขานับถืออันนี้เป็นอา น, นิสงส์ที่เห็นได้ในชาตินี้ส่วนอา น, นิสงส์ในชาติหน้าอันนี้ชาติหน้านี่เขาคิดเอาเองนะ อันนี้สงชาติหน้าที่เขาคิดเองว่า น, นรชนนั้นย่อมหวังผลในอนาคตว่าทิฐินี้ควรเพื่อความเป็นนาคเ น, นี่ยนะข้อปฏิบัตินี้จะทําให้แกเป็นนาคเป็นครุดเป็นยักษ์เป็นอสูรเป็นคนทันเป็นมหาราชขึ้นสวรรค์เจ็ดชั่วโคตรเลยคุณผู้ชมอันนี้สงชาติหน้าก็จะให้ขึ้นสวรรค์เจ็ดชั่วโคตรบรรพชนเจ็ดชั่วรุ่นนะเจ็ดชั้นเราจะให้ขึ้นสวรรค์กันหมดอ่ะเนี่ยนะอันนี้สงชาติหน้าเป็นอย่างนั้น ด อ, to to ดอกบัวนี่ไปบานอยู่ในสวรรค์แล้วเนี่ยนะแกจะไปเกิดในสวรรค์แต่ถ้ไม่มาอีกแกบอกบัวจะเหี่ยวเนี่ยแหละเป็นอย่างไงนะอันนี้ว่าจะเปอินเป็นพระอินเป็นพระพรหมเป็นเทวดาวัตถิทินี่ยเหมาะสมเพื่อความหมดจดหมดจดวิเศษหมดจดรอบพ้นพ้นวิเศษพ้นวิเศษรอบสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดหมดจดวิเศษหมดจดรอบพ้นพ้นวิเศษพ้นรอบด้วยทิฐินี้ทิฐินี้เท่านั้นแหละต้องคิดแบบชั้นจริงจะบรรลุมาเั้นคิดแบบแกไม่บรรลุหรอกมาเงิน พันเราจากหมดจดหมดจดวิเศษหมดจดรอบพ้นพ้นวิเศษพ้นรอบด้วยทิฐินี้นี้ชื่อว่านิสงอันมีในชาติหน้านะเยี่ยมที่สุดนะนะทิฏฐิอื่นไม่ใช่มันรลุไม่ได้ทิฏฐิอย่างอื่นต้องนิฏินี้เท่านั้นนะนะก็แต่ละค่ายมีมียอมรับทิฏฐิอื่นที่ไหนใช่ไหมปฏิเสธอย่างอื่นทั้งนั้นแหละก็ยืดแต่ของตัวเองอ่ะนะพันจึงขาดมุทิตาซึ่งกันและกันเนี่ยนะไม่มีนะเพราะทิฏฐินี้ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะทะเลาะกันเข็นฆ่ากันเพราะทิฏฐินั่นแหละไม่ยอมอ่ะ ขนาดนับถือแนวคล้ายๆกันนะแต่ไม่ยอมเหมอะนะมันต้องยี่ห้อแบบชั้นอนะยี่ห้อแบบแกไม่ได้อ น, นะว่าลักษณะเนี่ยนรชนย่อมเห็นอา น, นิสงส์สองประการแม้ในความหมดจดด้วยอารมณ์ที่เห็นคืออา น, นิสงส์ในชาตินี้อา น, นิสงส์ในชาติห น, านนะ้าอ่นะว่าันที่เห็นนะถ้าไปดูอย่างนี้เห็นแบบนี้นะจะได้อา น, นิสงส์ชาตินี้ก็คือรวยดีลาบสการะเป็นต้นชาติหน้าจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเง้ย น, นะก็บัญญัติขึ้น หรืออารมณ์ที่หมดจดด้วยศีลหมดจดด้วยวัดหมดจดด้วยอารมณ์ที่ทราบเนี่ยก็ถือว่าอานิสงส์ความหมดจดด้วยอารมณ์ที่ทราบนะนะไปดูนะ <encima> แกจะบริสุทธิ์นะสร้างหลักที่อย่างใดอย่างหนึ่งให้ดูขึ้น ER ถ้าดูอย่างนี้นะแกจะบริสุทธิ์นะดูลูกแก้วลูกขวดอะไรก็ช่างเถอะดูแลจะทําให้แกบริสุทธิ์อไม่ได้นี่บอกฟังฟังแล้วจะทําให้บริสุทธิ์ไม่ได้บอกต้องทราบนะต้องกินอ่ะกินแล้วจะทําให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยบางพวกเขาบอกว่าต้องกินอ่ะ ท่นผู้ที่บัญญัติรัฐที่อันนี้ก็จะได้อันนี้สงนะไหมอันนี้สงชาตินี้กับอันนี้สงชาติหน้าอนนี้สงชาตินี้เจ้ารัฐที่เนี่ยมั่งมีันัมีรัฐที่ไหนมั่งที่ต่ําต้อยไม่ค่อยมีอ่ะมีแต่มั่งมีอ่ะนะเจ้ารัฐที่สบายเนี่ยนะท่นใครที่ออกรัฐที่ได้เนี่ยโหเหมือนกับต้นเหตุพวกกลุ่มขายเนี่ยแหละขายแบบที่คุณบุญชูทําอยูอย่นะรับสดาณนั่นแหะต้นตํำรับนี่จะมั่งมีมา ก, ก น, นะสายลัฐที่เหล่านี้ก็เหมือนกันนีต้นตํำรับจะได้ดิบได้้ดีีีมมั่่งชาาตินก็รรํวย แต่ชาติหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าทําด้วยทิฏฐิโดยมากนะต้องไม่ลืมว่าทิคติสองของทิฐิคือนรกกับเดรฉ า, านน่นนะคาว่านรชนนั้นะถือมั่นทิฐินั้นนั่นแหละในลัทธิของตนนั้นมีความวา่าทิฐิของตนนะก็คือความควรความชอบใจลัทธิของตนก็ถือมั่นยึดถือถือเอารับยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมเลิศประเสริฐวิเศษใหญ่สูงสุดบรวร คำว่ายอดเยี่ยมเยี่ยมยอดนั่นแนหะคำว่าย่อมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลวก็คือนอรชนนั้น เ, เห็นแลเห็นเหลียวเห็นเล็งเห็นพิจารณาเห็นซึ่งศาสดาธรรมะที่ศาสดาบอกหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทามมักอื่นโดยความเป็นของเลวนะคนอื่นเลวทั้งนั้นแหละมันใช้ไม่ได้เหมือนน ว่าคนขลิที่อื่นเนี่ยเลวเลวซามตำช้าสกปรกตำต้อยฉะนั้นจึงชื่อว่าเล็งเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของเลวอั น, นะถ้ามันไม่ใช่แบบชั้นเนี่ยมันเลวหมดอ่ะมันไม่ดีมันใช้ไม่ได้ น, นะะรัฐที่ทั้งหลายก็เป็นแบบนั้นแหละ โดยสรุปที่กล่าวไปแล้วก็คือนอรชนย่อมเห็นอ น, นิสง์ใดในทิฐิของตนก็ดีในอารมณ์ที่เห็นก็ดีในอารมณ์ที่ได้ยินก็ดีในศีลวัดในอารมณ์ที่ทราบก็ดีนรชนนั้นน่ะถือมั่นทิถินั้นนั่นแหละในรัฐที่ของตนนั้นย่อมเห็นสิ่งอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลวเนี่นะเอาอื่นเลวมาละดีแต่ฉันอยู่คนเดียวเนี่แหละประมาณนผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมกล่าวทัศนะที่ตนอาศัยแม้นั้นว่าเป็นเครื่องร้อยรัฐ เห็นทัศน์อื่นว่าเลวเพราะฉะนั้นแหละภิกษุไม่พึงอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบหรือศีลและวัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกที่ยึดถือในทัศน์ก็แก่งแย่งอะนะยึดถือว่าใครอื่นที่ ท, ที่ไม่เหมือนตนเนี่ยเลวหมดนั้นพระองค์ก็แนะนําว่าภิกษุอย่าไปเป็นแบบนั้นนะอย่าไปยึดถือในสีในเสียงในกลิ่นในรสในโพตาภาอย่าไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจตัณหามา n นะและทิฐิเนี่ยนะ ที่บอกว่าผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวลัทธิทิฐิเหล่านั้นว่าเป็นเครื่องร้อยรัฐเนี่ยนะฮะทีายว่าผู้ฉลาดผู้ฉลาดคือฉลาดยังไงผู้ฉลาดก็คือผู้ฉลาดในขันฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะเนี่ยนะฉลาดในขันอายตนะธาตุให้รู้ว่าฉลาดในปริญญาธรรมเนี่ยนะฉลาดด้วยปริญญาสามนั่นเองนะนีฉลาดในปฏิจจสมุบาทก็คือฉลาดในปหาตปธรรมหรือฉลาดในสมุทัยศักด ส่วนฉลาดในสติประธานฉลาดในสัมมาประธานฉลาดในอิทธิบาทฉลาดในอินทรีย์ฉลาดในพระโพชฌงอริยมรรคเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าฉลาดในมัคคสัตหรือฉลาดในภาเวตปธรรมเนี่ยนะคือธรรมที่ควรเจริญนะส่วนฉลาดในผลฉลาดในนิพานอันนี้ก็คือฉลาดในสัชชิกาตปธรรมหรือในนิโรสัจะ มันผู้ฉลาดเหล่านั <pod> ้นนะนะคือผู้ฉลาดในอริยสัจผ <du cking> ู้ฉลาดในธรรมะที่ควรกําหนดรู้ในฉลาดในธรรมะที่ควรละฉลาดในธรรมะที่ควรเจริญฉลาดในธรรมะที่ควรทําให้แจ้งท่านกล่าวว่าทิฏฐิอันนั้นเนี่ยทัศนะอันนั้นเน่ยเป็นกิเลสเครื่องร้อยรัดไอตัวความเห็นนั้นนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความร้อยรัดน่ะเป็นกิเลสเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นกิเลสเครื่องผูกพันเป็นกิเลสเครื่องพัวพันอันนะ เพราะฉะนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวทัศนะคือทิฏฐิที่ตนอาศัยนั่นแหะว่าเป็นเครื่องร้อยรัดยึดเหนี่ยวผูกพันผัวพันเหมือนกันทัศนะที่ตนอาศัยแล้วเห็นทัศนะอื่นเลวเห็นไหมก็ทัศนะที่ตนอาศัยนะก็คือยึดถือไอไทัศนะของตัวเองที่ว่าภิกษุอาศัยอิงอาศัยติดพันเข้าถึงติดใจน้อมใจถึงทัศนะใดว่าคือศาสดาธรรมะที่ศาสนาบอกหมู่คณะทิฏฐิปฏิปธามมักใด คือยึดถือในศาสนาไหนอะนะว่าพูดง่ายๆว่ายึดถือในศาสนาไหนก็ถือว่าทัศนะอื่นจากที่ตัวเองนับถือเลวเนี่ยนะได้แก่ย่อมเห็นเลง็งเห็นเลียวเห็นเล็งเห็นพิจารณาเห็นซึ่งทัศนะอื่นคือศาสดาอื่นธรรมะที่ศาสดาบอกคณะทิฏฐิปฏิปธรรมมักอื่นโดยความเป็นของเลวเลวซามต่าําช้าสกปรกต่ําต้อยเนี่ยนะก็ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นหมดอะที่ที่ไม่เหมือนตนอะนะ